เราคงเคยได้ยินคำพูดที่ว่ามนุษย์ต่างจากสัตว์ประการก็คือมนุษย์มีความอดทนอดกลั้นบนาะงทีก็มีข้อความคล้ายๆทนองเนี่ยว่ามนุษย์เหนือจากเหนือกว่าสัตว์นะตรงที่มีความอดทนอดกลั้นฟังดูมันก็ดูดีนะแต่ว่าความจริงอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้ ได้ดูคลิปคลิปหนึ่งนะผู้หญิงคนนึงเนี่ยเอาหมาเนี่ยลูกหมาด้วยนะน่ารักเลยสิบตัวมันนั่งเรียงกันนะบนเตียงด้วยนะแล้วเจ้าของก็นั่งอยู่บนเตียงแล้วก็พูดคุยกับหมาน้อยทั้งสิบตัวพูดถึงเรื่องของการมีวินยัยการรู้จักอดทนอดกลั้นนะอย่าเห็นแก่กินนะ ต้องรู้จักคอยถ้ายังไม่ถึงเวลาก็ให้รู้จักคอยรู้จักอดทนไว้ก่อนถึงแม้ว่าข้างหน้านี้จะเป็นของกินที่อร่อยก็ตามเธอก็พูดนะให้หมาฟังนะ ห, หมาก็ตั้งใจฟังพอเธอพูดเสร็จเธอก็อขนมนะซึ่งเป็น ขนมที่หมาชอบเนี่ยเอามาวางไว้ข้างหน้าตัวละชิ้นตัวละชิ้นตัวละชิ้นตัวละชิ้นหมานี่มันก็นิ่งนะเห็นขนมวางอยู่ข้างหน้านี่ก็ไม่ใช่ว่าไปงับ <c oughs> ไปงับเลยไม่ใช่ก็นั่งรอไม่ใช่แค่นั้นนะเจ้าของเนี่ย ออกไปข้างนอกแต่ก่อนที่จะออกไปนี่ก็บอกหมาหมาว่าเนี่ยห้ามกินนะจนกว่าแม่จะกลับมาดูเหมือนหมาเนี่ยไม่ได้เข้าใจหรือเราก็ไม่รู้หมาเข้าใจรึเปล่านะเพราะว่าหมาไม่ได้พยักหน้าแต่พอเจ้าของเนี่ยออกจากห้องไปหมาทุกตัวก็ยังนิ่งอยู่นะทั้งที่ ของดีเนี่ยคือขนมเนี่ยวางอยู่ข้างหน้าแล้วนิ่งอยู่นานเลยนะจนกระทั่งผ่านไปสองสามนาทีได้เจ้าของก็เปิดประตูเข้ามาพอหมาเนี่ยรู้ว่าเจ้าของเข้ามาในห้องนี้ มันรีบงับขนมเลยนะงับอย่างเรียกว่ารวดเร็วมากเพราะว่าคอยมานานแล้วแต่มันก็น่าสนใจนะว่าหมาน้อยเนี่ยรู้จักคอยซึ่งแสดงถึงความอดทนอดกลั้นนะเรามาจะคิดว่าเนี่ยหมานเนี่ยนะมัน เห็นแ ก, กกินถ้าเจอขนมแล่มก็ต้องรีบงับทันทีแต่ว่าคลิปนี้มันช่เห็นนะว่าหมาเนี่ยเขารู้จักอดทนอดกลั้นนะแม้จะเป็นหมาเน้น้อยแล้วมันก็มีคลิปทำนองนี้นะไม่ใช่หมาอังเดียวนะมีลูกลิงสองตัวเนี่ยกาลังน่ารักเลยเจ้าของเนี่ย ก็กำลังผ่าแตงโมลูกลิงก็รออยู่นั่นแหละนะทั้งที่พอผ่าแตงโมเสร็จนะก็วางแตงโมไว้ชิ้นแตงโ ม, มไว้ที่จานแต่ก็ยังผ่าไม่เสร็จลูกลิงก็รอทั้งที่แตงโมเนี่ยเป็นของโปรดของลิงนะจนกระทั่งเจ้าของนี่ผ่าแตงโมเสร็จนะ แลาบอกลูกเลี้ยงว่ากินได้แล้วมันก็กินนะอันนี้แสดงว่าอะมันแสดงว่าแสดงว่ามันรู้จักอดทนอดกลั้นแม้มีของกินอร่อยๆรอ ย, อยู่ข้างหน้ามันก็คอยได้มีคนนึงนะเลี้ยงสัตว์ไว้หลายชนิดเลี้ยงหมาเลี้ยงไก่เลี้ยงลิงแล้วก็เลี้ยงแมวด้วยเวลาให้อาหารนะ มาให้อาหารสัตว์แต่ละตัวเนี่ยก็เขาก็ให้แต่ละตัวนี้นั่งบนเก้าอี้บนโต๊ะนี่ก็เป็นโต๊ะ ว, ว่างๆมีจานอยู่สี่จานจานเปล่าพอได้เวลาอาหารเจ้าของก็เอาอาหารเนี่ยที่เหมาะกับสัตว์แต่ละตัวเนี่ยนะมาวางไว้บนจานทีแรกก็ให้อาหารหมาก่อน เสร็จแล้วก็ให้อาหารไก่แล้วก็ให้อาหารลิงแล้วก็ให้อาหารแมวระหว่างที่ให้อาหารเพื่อนนี่นะตัวอื่นที่ได้อาหารแล้วเนี่ยมันก็ไม่แตะเลยนะเช่นระหว่างที่ให้อาหารไก่ให้อาหารลิงหมาเนี่ยอาหารอยู่ข้างหน้านี่มันไม่แตะเลยพอให้อาหารไก่แล้วก็ไปให้อาหารลิงลิงก็ ไก่ก็ไม่แตะอาหารของตัวจนกระทั่งเพื่อนเนี่ยหรือสัตว์ทั้งสี่ตัวเนี่ยได้อาหารครบเจ้าของก็บอกว่าเอากินได้ละมันก็เริ่มกินเลยนะกินพร้อมกันเลยนี่แปลว่าอะไรแปลว่าสัตว์เนี่ยมันรู้จักอดทนอดกลั้นนะถ้ายังไม่ถึงเวลามันก็คอยได้นะขอยให้เพื่อนได้ อาหารครบก่อนจึงค่อยกินและจะกินได้ก็เพราะมีสัญญาณแล้วก็เพราว่าแม้กระทั่งนกนะมันก็คอยได้นะเช่นเขาสอนให้นกเนี่ยรู้ว่าเวลากินถั่วชนิดหนึ่งเนี่ยถ้าคอยสักหน่อยนะจะได้เม็ดมะม่วงหิมพ า, าน ถั่วที่ว่าเนี่ยเป็นถั่วเปลือกแข็งอร่อยไม่เท่ามะม่วงหิมพรนาวและผู้เลี้ยงเนี่ยหรือเจ้าของก็สอนมันนะว่าเนี่ยจะกินถั่วกินได้นะแต่ถ้ากินเลยเนี่ยไม่ได้มะม่วงหิมะพร้า์แต่ถ้ารอหน่อยนะจะได้กินเม็ดมะม่วงหิมะพร้าวก็ฝึกกับนกกระตัูนะนกกระตัวนี้มันคาบถั่วเนี่ย อยู่ในปากกันนะแต่ว่ามันไม่เคี้ยวก็คาเปงั้นแหละจนกระทั่งประมาณนาทีครึ่งเจ้าของก็ให้เม็ดมะม่วงหิมพานต์มันก็ถึงค่อยกลืนถั่วเนี่ยลงไปแล้วก็ได้มันเม็ ด, ม, ดมะม่วงหิมพานต์เป็นรางวัลแล้วก็ยังทำกับ กายนะกานี่มันฉลาดกว่านกกรตัวในบางเรื่องนะเขาบอกกาเนี่ยมันรอได้หลายนาทีเลยนะทั้งที่มันมีอาหารคา ป, ป่ากของมันเนี่ยแต่มันยังไม่กลื่อนเข้าไปถ้ามันรู้ว่ารอสักหน่อยเนี่ยจะได้ของดีเป็นรางวัล ซึ่งอันนี้เนี่ยมันแสดงให้เห็ น, หนถึงความรู้จักอดทนอดกลั้นแล้วก็ไว้วางใจด้วยนะไว้วางใจคนเลี้ยงว่าถ้าคอยเนี่ยนะจะได้ของดีของที่อร่อยกว่าอันนี้มันแสดงว่าสัตว์เนี่ยมันมีความอดทนอดกลั้นนั่นในบางเรื่องอาจจะยิ่งกว่ามนุษย์นะพอเมื่อห้าสิปีก่อนก็เคยมีการทดลองนะกับเด็กประมาณสามสี่ขวบ 1> 3ามถึงห้าขวบเป็นเด็กนอเียนุ บ, บาลประมาณสาสิบคนได้เข้ามาในห้องในห้องเนี่ยก็มีโต้ยตัวหนึ่งในบนโต้ก็มีถาดขนมมัชเมลโลครูก็บอกนะว่าเนี่ยถ้าทุกคนอยากจะกินขนมนะก็กินได้นะคนละเม็ดแต่ถ้ารอสิบห้านาทีนะจะได้สองชิ้น เด็กทุกคนก็รู้นะว่าถ้ารอเนี่ยดีกว่าไม่รอพอตกลงกันเสร็จเด็กก็เอาครูก็ออกนอกห้องไาในห้องก็เหลือแต่เด็กวันเด็กเนี่ยนะทุกคนเลยนะเห็นขนมมัชมัลโลวางอยู่บนโต๊ะเนี่ยบางคนก็น้ำไหลไหลแต่ก็พยายามอดทนนะแต่สุดท้ายเนี่ยส่วนใหญ่ ทนไม่ได้คว้าขนมมากินใส่ปากมีประมาณแค่หนึ่งในสามนะที่อดทนจนกระทั่งครูกลับเข้ามาแล้วจึงได้รางวัลนะกินสองชิ้นกลายเป็นว่าคนเนี่ยนะอดทนน้อยกว่าอดกลั้นน้อยกว่าสัตว์นะนี่เมื่อห0สิบปีที่แล้วนะถ้าเป็นเด็กสมัยนี้อาจจะ อย่ารอเยอะอย่าว่าแต่สิบห้านาทีเลยนะห้านาทีก็ไม่ไหวแล้วเพราะเดี๋ยวนี้เด็กสมัยนี้เนี่ยอดความอดทนอดกลั้นเนี่ยหรือความรู้จักอดรอควานี้ต่ํามากส่วนหนึ่งก็เพราะว่าโทรศัพท์มือถือนะส่วนหนึ่งเพราะว่าเล่นเกมเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันมีภาพเคลื่อนไหวที่เร็วมากนะ ดูกระตูนเนี่ยกระตูนนี่ไม่มีแช่เลยนะถ้าแช่สักสิวินาทีเนี่ยเด็กก็ไม่มีสมาธิแล้วอะไรมันก็เร็วทําให้เด็กเนี่ยอดทนรอคอยไม่ได้จริงมันเป็นเรื่องพูดถึงเรื่องความอดทนนี่มันไม่ใช่เป็นเรื่องของสัญชาตญาณเท่าไหร่นะไม่ใช่ว่าคนเกิดมาแล้วเนี่ยจะมีความอดทน หรือจักควบคุมตัวเองได้มากกว่าสัตว์มันนี้ไม่เกี่ยวกับสัญชตาตญาณไม่เกี่ยวกับการฝึกฝนฝึกฝนได้มากฝึกฝนดีก็อดทนได้นานถ้าฝึกฝนไม่ดีหรือไม่ฝึกเลยเนี่ยก็ไม่รู้จักอดทนอย่างเด็กสมัยนี้เนี่ยนะเขาถูกกระตุ้นเราถูกตามใจมากอยากได้อะไรก็ได้ทันทีหรือจะเรียกร้องเอาทันทีก็เลยไม่ค่อยอดทนรอคอย สัตว์เนี่ยถ้าฝึกเขาไวด้ดีๆนะก็อทนได้นะอย่างหมาลิงนะหรือสัตว์ตัวหรือนกเนี่ยที่ว่าเนี่ยแม้ในที่บุกพูดว่าเนี่ยมนุษย์เนี่ยเหนือกับสัตว์ตรงที่รู้จักอดทนรอคอยหรือมนุษย์ต่างจากสัตว์ตรงที่มีความรู้จักอดทนรอคอยนี่มันไม่จริงอะ่ะมันอยู่ที่ว่าฝึกฝนมาไว้หรือเปล่าฝึกฝนมาดีหรือเปล่า พอมนุษย์เนี่ยเรียกวิเนยสัตว์เวเนยสัตรรว์แปลว่าสัตว์ที่ฝึกได้ที่มนุษย์เราเนี่ยตะกอเนี่ยเราอดทนรอคอยได้มากกว่าสัตว์เพราะว่าเราฝึกมาตั้งแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์วิถีชีวิตแต่พอเราสมัยนี้อะไรก็รี บ, ร บ, รบเร็ ว, รวมีสิ่งตอบสนองได้รวดเร็วฉับไวคนก็เลยอดทนรอคอยไม่เป็นนะก็กลายเป็นว่าสัตว์นี่สามารถจะ มีความอดทนอดกลั้นได้มากกว่าคนนะอันนี้ถ้าเราไม่อยากจะได้กับสัตว์นี่ต้องฝึกนะมนุราจะเหนือกว่าสัตว์หลายอย่างแต่ว่าในเรื่องความอดทนรอคอยเราจะแย่กว่าสัตว์ก็ได้นะถ้าเราไม่ฝึกไม่ฝึกตัวเองหรือว่าไม่ยอมให้คนมาฝึกให้